มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคสุขเวทนาปัญหาที่ห้า ถามว่าสุขเวทนาจะเป็นกุศลหรืออกุศลหรือว่าจะเป็นอพยกริษราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินสาขละราชมีสุนทรพจนา ร, ราชองการัลถามอัตปัญหาอื่นอีกล่าวว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระน า, าเกษรผู้เป็นเจ้าสุขเวทนาที่จะเสวยสุขนี้เล่าจะเป็นกุศลาหรือหรือว่าจะเป็นอกุศลา หรือว่าจะเป็นอัพยากตาประการใดพระนากเกษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารสุขเวทนานี้จะว่าเป็นกุศลาก็ว่าได้จะว่าเป็นอกุศลาก็ว่าได้จะว่าเป็นอัพยากตาก็ว่าได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่า พันเตนาฆเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ประกอบด้วยปัญญาปรีชาถ้าพระผู้เป็นเจ้าว่าฉะนั้นแล้วโยมยังสงสัยด้วยกุศลตกแต่งแล้วก็ให้สุขจะได้ให้ทุกข์หาไม่ได้พระนาคเษนมิสัชนาแก้ไขว่าชะไนบอพิจริงสำคัญชนิเล่าถ้าอัตมาจะว่าบ้างว่าบุคคลมาแรกกระทำกุศลเสวยทุกข์เปรียบต่อบุคคลรักษาศีลกระนั้น ต้องทรมานอดยากที่เขาทำอกุศลได้ความสุขชนี้บ้างก็มีเปรียบดุดชายผู้หนึ่งมือซ้ายตะภายหม้อน้ามือข้างนั้นก็เย็นนักมือข้างขวาถือก้อนเหล็กแดงร้อนนี่แหละจะว่ามือชายทั้งสองข้างร้อนหรือหรือจะว่ามือทั้งสองของชายนั้นเย็นเป็นประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่า ไม่รู้แห่งที่จะว่าได้นะพระผู้เป็นเจ้าโยมนี้เล่ามิอาจจะต่อปากพระผู้เป็นเจ้าได้นี่มนแก้ไขอัดแห่งเวทนานี้ให้โยมแจ้งแจ่มใสออกไปในการบัดนี้ตาโตเทโรลำดับนั้นพระนาคเษนผู้วิเศษแก้ไขซึ่งเวทนาร้อยแปดประการให้บรมกษัตริย์สันนิษฐานเข้าพระทยัยด้วยอภิธรรมกถาถวายพระพรว่า มหาปวพิธพระราชสมภารเวทนามีร้อยแประการจรึงจัดเอาเวทนาอันเป็นโสมนัสชาเคหะนิสิตาอันอาศัยอยู่ในอารมณหกแห่งบุคคลยินดีในเบญจา ก, กามคุณนั้นจัดได้โสมนัสเวทนาหกจึงจัดเอาโสมนัสเวทนาอันเป็นไปในอารมณหกแห่งท่านผู้ได้ปัญญาวิปสนานั้นจัดเป็นโสมนัสเวทนาหก จังยกเอาโทมานศเวทนาหกในอารมณ์แห่งบุคคลยินดีในเบญจกามคุณหกและโทมานะเวทนาในอารมณ์แห่งท่านได้วิปัสสนาปัญญาหกจัดเอาอุเบกขาเวทนาในอารมณ์แห่งบุคคลยินดีในเบญจกามคุณนั้นหจัดเอาอุเบกขาเวทนาในอารมณ์แห่งท่านได้วิปัสสนาปัญญานั้นหสริได้เวทนาสสนี้ จัดเป็นอดีต36เป็นอนาคต36เป็นปัจจุบัน36มสิริเข้าด้วยกันทั้งสมนี้ได้เวทนาร้อยแปประการบอพิษพระราชสมภารจงทราบ พ, พระญาณเถอะสุข เ, ขเวทนาอันเสวยอารมณ์เป็นสุขนี้จะว่าเป็นฝ่ายกุศลก็ผิดจะว่าเป็นอกุศลก็ผิดจะว่าเป็นอัพยากฤิตก็ผิดจะว่าไม่เป็นก็ผิด เหมือนชายมือซ้ายแั่ภายน้ำค้างมือขวาจับก้อนเหล็กแดงและจะถามรวมว่ามือทั้งสองของชายนั้นจับร้อนหรือจับเย็นและถามเช่นนี้บุคคลจะบอกมิรู้ที่จะบอกได้บอพิษจงรา พ, พระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินสา克拉ราชได้ฟังก็มีปราษาทะเลื่อมใสพระไทย เท้าเธอก็โสมานัดปรีดาด้วยปัญหาพยากรของพระน่าเกษรผู้วิเศษสุขเวทนาปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้